อาจารย์สุพล น, นี่เป็นผู้ที่เรียกว่ามีาคือหมายเขว่าอัตราของอาจารย์ไม่มีอยู่เลยนะหมายก็ว่าเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์สอนนั่นอัตราตรงนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความพร้อมตรงนี้จะมีสูงมากในการศึกษาแล้วก็ท่านก็ช่วงไหนที่มีอะไรสงสัยท่า น, นก็จะถามทันทีแล้วก็ถามท่านก็เข้าใจได้ทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีประสบการณ์อะไรที่มันแตกต่างจากเดิมนั้นเขาเชิญอาจารย์สุพลได้เราตรงให้ฟังหน่อยก่อน น, น้ำสการพระคุณเจ้าครับอาจารย์ประภาพัทแล้วก็เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมครับจริงๆผมนี่คุณเดิมนี่ก็เคยบทเรียนหลวงพ่อเทียมันเดือนหนึ่งนะครับ<อ> <laughs> ปีสองพันรอยยี่บสี่แต่ทิ้งขว้างนะพระอาจารย<อ>์เป็นไก่ได้พลอยแล้ว <laughs> โยนทิ้งซะเราไม่ได้ฝึกมานะครับก<อ>็ <laughs> สมควรแล้วเนี่ย ต้องชอดใช้กรรมมาแล้วก็ทุนเดิมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แต่ก็ยังสนใจอยู่ครับความที่ไม่มีคาราเดนมิทนั่นเองครับกลับไปตัวคนเดียวท่ามกลางพวกนักแอคติวิสต์นักกีฬกรรมทั้งหลายซึ่งไม่สนใจเลยเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ก็เลยไม่คงทนนะครับมาโรงรุ่นนี้แหละครับที่มาเป็นครูที่โรงรุณเ น, นี่ยเรื่องนี้กลับมาอีกกลับมาอย่างจริงจังก็ได้ฝึก แล้วมาอยู่อสมศิลป์ก็ฝึกมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สำหรับคอสนี้ก็ตั้งตั้งใจรอคอยที่จะมาเหมือนกันเพราะว่าได้สัมผัสกับพระอาจารย์ตอนที่พาฝรั่งมาฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์ตอนคำ่คำคำ่มืดมืดพระอาจารย์ก็เสร็จงงเงี้ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วนะ เสร็จทำวัดเดย็นเรียบร้อยแล้วยังโดนตามาอีกพระอาจารย์กุรณาเมตตามากมาสอนผมเห็นรายละเอียดของการให้วิธีการเคลื่อนไหวอีรยาบทที่ละเอียดครับคือละเอียดมากกว่าแค่สร้างจังหวะสิบสจังหวะกับเดินจงกรมคือมันจะมีการขยับลุกตัวลุกขึ้นชันเขา่านะลุกขึ้นยืนคือจากนั่งไปสู่ยืนมีหลายขั้นตอน อาจารย์สอนให้แบบนี้กดก็เห็นว่าตอนนั้นความรู้สึกคือ อ, อละเอียดนะอันนี้ละเอียดดีนะ้าจะมาเรียนรู้พอมีคอร์สแรกโอ้โหไม่รู้มามาอย่างไงก็ไม่รู้โปรแกรมโปรแกรมมันชนกันใน ห, หมดก็เลยไม่ได้มานะครับพอมีรู้ว่ามีครั้งนี้ก็เคลียร์งานเต็มที่แม้ว่าจะมีประชุมสําคัญคือประชุมวันเก็บอารมณ์วันแรกครับมีประชุมสําคัญตอนบ่ายนะครับสําคัญมาก ก็ต้องทิ้งไปเพราะว่ามาอยู่กับพระอาจารย์แล้วถ้าทิ้งไปอีกก็เหมือนกับซ้ำรอยเดิมนะ ท, ทิ้งหลวงพ่อเทียนไปนะแต่เมื่อสมัยนู้นนะครับทีนี้เออที่อยากจะรายงานให้พระอาจารย์ทราบก็คือว่ากระบวนการฝึกที่ที่มีความละเอียดเนี่ยนะครับมันมีมีผลจริงๆคือเดิมเนี่ยทุนเดิมอีกนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็คือฝึกกับหลวงตานะครับ คุณเดิมเป็นอย่างนี้ครับคือเราจะจําท่าหลักๆได้สองท่าคือท่าสีจังหวะกับเดินทีนี้โดยจริตเนี่ยเราก็จะชอบเดินเพราะว่านั่งเราจะง่วงแล้วพระอาจารย์ให้สู้ความง่วงให้สู้ความคิดเราก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจแต่เช้าจนเย็นแต่เช้าจนเย็นทําทสิ่งนี้นะครับสิ่งที่มันไม่ละเอียดตรงนั้นก็คือว่าเราไม่รู้จักปรับงั้นพอเราทุ่มเทเดินไปทั้งวันทั้งวันมันเหนื่อยล้าครับ จําได้ว่าผมได้อารมณ์ตอนเย็นๆครับเสมอตอนสักสี่โมงกว่าเจ้จะห้าโมงสักสิบห้านาทีโวกําลังดีเลยนะฮะคือมันมันสลัดความม่วงสลัดความคิดคือทักษะในการเห็นความคิดมาสลัดทิ้งเห็นความคิดมาสลัดทิ้งกลับมาที่เดินอย่างงี้นะมันมันปูทางโซ่กันมาเรื่อยจนทั้งได้ภาวะที่จะต่อเนื่องแล้วเกง<笑><笑>เดินไปรวมกลุ่มกัน หายหมดเลยครับแ ล, แล้วที่ประการสำคัญคื อ, อการทุ่มเทเดินอย่างเหนื่อยล้าเนี่นะครับมันมีมีในผลนะในระหว่างทางคือพอเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยมันเหมือนกับมันจะผลิตความฟุ้งซ่านขึ้นมาความท้อแท้ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสองวันแรกเราสามารถสู้ความม่วงได้นะสู้ได้หายไปปิดทิ้งเลยสองสามสี่วันต่อมาก็ยังไม่มีความม่วงความม่วงกลับมาวันที่หกเจ็ด พอเลยเฮ้ยทาไมมันมาเยอะขนาดนี้เราคิดว่าเราเอาชนะแล้วความไม่ละเอียดครับของการที่จะเห็นมันก่อนครับมาที่นี่ผมได้เรื่องนี้ครับคือเห็นเห็นเวทนาท่านให้จับที่เวทนาแล้วจับอย่างละเอียดด้วยท่านใช้คําพูดว่าก่อนที่มันจะพีกนะมันมีขั้นของมันถ้าเราเห็นทันก่อนที่แล้วเราปรับมันจะดีมาก อันนี้เป็นคลาวิชาที่ดีมากนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของอิรยาบถ ท, ที่ละเอียดขึ้นคือท่านให้ให้ฝึกทำอิรยาบถ ท, ที่ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรนะื่อยๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวันหนึ่งนะครับที่ที่พระอาจารย์ให้โจทย์ถ้าจะเป็นวันที่สามเนี่ยเป็นวันที่พระอาจารย์ให้โจทย์ว่าอลองดูนะว่าอิรยาบถแต่ละอิรยาบถเนี่ยทำไปแล้วกี่นาที แล้วมันเกิดความคิดฟุ้งซ่านหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้เปลี่ยนไปอีิริยาบถหนึ่งแล้วลองนั่งดูซิลองทําดูสิแล้วก็ถ้ามันมีความคิดขเข้ามาก็เปลี่ยนอีก เ, เปลี่ยนไปเรืเ่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมลองทําอันนี้ดูนะครับมันจะเริ่มเห็นเวทนาที่ละเอียดขึ้นแล้วมันจะเริ่มเห็นออความคิดฟุ้งต่งที่เข้ามาละเอียดขึ้นพอมันเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนพอเห็นปุ๊บเราเปลี่ยนอิริยาบถนะ ทั้งนั้นการเพิ่มการเพิ่มอิลเลยร์บทที่ละเอียดนี่มันดีมากๆคือมันมันมันไปเล้าสัมภาชนญะครับให้มีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเรื่อ ย, เอย ๆ, ๆ, ๆ, ๆเพราะฉะนั้นพอผมเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าวันที่สามกับวันที่สี่เป็นวันที่ดีมากเมื่อเทียบกับสองวันแรกคือสองวันแรกนี่ใช้วิธีแบบหลวงตาครับมันง่วงมาง่วงจัดเราก็เขย่าตัวแรงๆนะเขย่าตัวแรงๆตลอดพยายาม สะบัดตัวแรงๆตลอดซึ่งมันมันมันมั น, ม, นมันยังไม่ละเอียดมันก็ยังมาอยู่ดีแล้วเราไม่มีโอกาสจับมันเลยรอให้มง่วงเข้ามาเต็มจัดแล้วเนี่ยเราเราค่อยแก้อันนี้จะทำให้ให้ไม่ไม่ทันครับพระอาจารย์พูดได้ดีไว้ชัดมากรอถึงตอนนั้นเนี่ยฟิวขาดแล้วไฟดับอ่างั้นพอทำสามกับวันที่สามวันที่สี่เนี่ยครับผมก็ลองทำดูนะครับปรากฏว่าเออมันได้สติและความ ควารู้ตัวทุกความที่ต่อเนื่องผมลองนั่งทําดูนะครับคือเริ่มปรับอิรยาบทเป็นว่าเอนั่งนั่งอยู่ที่ที่เขาที่ระเบียงนี่นะเสร็จแล้วก็เอี้ยวตัวไปดูข้างหลังเออคนนี้มันสังเกตละเอียดว่าความหนักเบาของของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายมันเห็นมันรู้สึกอยู่เอี้ยวกลับมาอย่าช้า สูดลมหายใจเข้าไปเต็มๆสักสองครั้งเออมันรู้สึกตัวตลอดลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วคันเดินออกมาทว่าเดินแบบธรรมชาติเนี่ยเดินมาเดินจงกรมอีกสักสองสักรอบหนึ่งสองรอบแล้วกลับไปนั่งใหม่แล้วก็เอี้ยวตัวดูใหม่เอื่อพอมันทําได้อย่างนี้เนี่ยมันทําให้เห็นว่าเวทนาที่ละเอียดที่มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเนี่ยนะมันไปพร้อมกับอิระยาบถ ท, ที่ละเอียดมันแนบกับเข้ามาด้วยกัน่ ทำไม้เราสามารถเอดูมันได้ตลอดพอมันดูได้ตลอดเนี่ยบวกกับทักษะที่เราได้เรียนมาแล้วคือสลัดความคิดเนี่ยสลัดความคิ ด, ส ล, ดคล waving, สลัดความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาแล้วก็สลัดมันมันก็จะเห็นได้ง่ายเห็นได้ไวไอ้ความคิดรู้สึกไอ้ความความนึกคิดต่างๆที่เข้ามามันจะไวมากทําให้เราให้เราสามารถที่จะเห็นแล้วก็ปรับปรับปรั บ, รบวิวีบทไปได้ต่างๆพอเป็นอย่างนี้เนี่ยสักพักนึงเนี่ย ผมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่เป็นความรู้สึกโปร่งโล่งสบายและต่อเนื่องของช่วงเยน็นวันที่หกที่เจ็ดของวัดปัส ว, วัดป่า ส, สมณนัทนะครับมาอยู่ที่นี่ในวันที่สามและวันที่สี่แต่ยาวขึ้นครับโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องออออโดยไม่ต้องขัดขัดฝือะไ ร, ะรมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมันเลยเกิดความรู้สึกขึ้นว่าอ๋อ คำหนึ่งของพุทธองค์ที่พูดว่าไอ้ได้ได้ไม่ได้ไม่ยากได้ไม่ลําบากเนี่ยมันตรงนี้คือพอมันโล่งโปร่งสบายมันได้ไม่ยากได้ไม่ลําบากไอ้ความต่อเนื่องนี้นะครับพอมันได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆมันพบว่าเออตอนที่เราฝึกกับหลงตาเนี่ยเออมันได้ยากได้ลําบากจริงๆมันได้ยากลําบากมันต้องทุ่มเทเดินแล้วเดินแปดชั่วโมงเดินสิบชั่วโมงเนี่ยทุ่มเทกว่าจะได้ตรงนั้นได้สุรหายได้สุรหายครับแต่คราวนี้เออมันมันได้เพราะว่ามันมีความละเอียดอย่างที่ผมว่า ะละเอียดในแง่ของดูทุกขเวทนาที่ละเอียดนะครับละเอียดในแง่ของอิเดียบที่ซอยซอยยิบเลยนะฮะทุกละเอียด น, นะครับแล้วที่สมานคือถ้าพระอาจารย์นเน้นคําเรื่องของออมชิมาปฏิปทาโอ้โหนี่อันนี้ผมอ่านผมศึกษาก็อ่านอย่างนั้นแหละครับแต่มาคราวนี้ปฏิบัติเนี่ยมันได้เห็นจริงๆว่าอ๋อมาตรงนี้เองครับก่อนที่มันจะไปไอตรงง่วงเข้ามาเนี่ยตรงนี้สบายแล้วผมบอกผมบอกตัวเองเลยคอสหน้านะ วันที่หนึ่งเนี่ยสบายไม่มีง่วงแน่คอสนี่ยังเสียทีง่วงไปสองวันนะม่ว ง, งแบบหนักๆมันกินหัวไปเลยนะั่นแหะหนักๆคอสหน่าสบายมากคือเพราะว่าเรารู้จักปรับแล้วว่าอ๋อปรับนะปรับแล้วที่ปรับอีกสําคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องอาหารครับอาจารย์โอ้โหวันแรกๆวันที่สองนี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมาเที่วนี้อดเย็นใช่ไหมเอาเติมเช้าส่คือมันมีความรู้สึกโคัวนิดๆว่าจะกลัวจะกลัวจะหิว อไอ้ความโกัวนี่มั น, ม, นมันเข้ามาแล้วมันมันทําให้เราตักขึ้นมากขึ้นแต่พอเรารู้โดยโดยโดยตัวเองอีกเหมือนกันพระพระสัมผัสกับเวทานาได้ชัดว่าพอกินมากเนี่ยกลับไปนี่ครับอาการเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะทําให้เราต้องหายใจลึกๆมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ๆมันต้องให้เราหายใจแรงๆมากๆขึ้นเพราะอะไรผมเดา ว, ว่าเพราะว่าเลือดมันไปทํางานที่กระเพาะเยอะ มันกำลังทํางานมากมันก็เลยดึงเลือดไปทุกอย่างไปอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เลือดที่จะขึ้นสมองมันมันน้อยมันเลยเร่งร้อนให้เราต้องสูดลมหายใแรงๆแรงๆ แ, แ, แบบแรงๆมากๆเลยนะครับแรงๆแบบ่อยๆจนกระทั่งมันถึงจะแบบคลายความม่วงลงไปได้อาการแบบนี้มันทรมานจําอาการนี้ไว้ชัดเลยว่าไม่เอาอีกแล้วก็เลยปรับอาหารเพราะปรับอาหารตักทัพทัพีเดียวอย่างนี้นะเออแล้วกินผลไม้กินผักให้มากผักสดให้มากเออมันช่วยได้ มันมันทําให้เ อ, อไม่ง่วงเลยเบาเดินเบาสบายความสึกชัดครับว่าเป็นกลางวันเนี่ยมาเดินอาการที่เคยต้องหายใจแรงๆไม่มีละก็สบายไปเรื่อยๆคิดว่า อ, อ, อาประสบการณ์ที่ที่เราได้ทําอย่างต่อเนื่องทําให้รู้สึกว่าอการได้ไ ด, ได้ได้มีสัพพัญญะอย่างต่อเนื่องละเอียดในทุกขีปนาฏปฎินี่ไปกับการดูเวทนาเนี่ยเออมันทําให้เห็นว่าพอเราสลัด จิตปรุงแต่งออกไปได้เนี่ยมันก็เห็นเห็นอาการทางกายคือรูปแล้วก็อาการทางจิตคือหรือนามคือความคิดต่างๆ ท, างที่มันเข้ามาเนี่ยมันได้เห็นชัดๆเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เฉย ๆ, ๆ, ๆเฉยๆมันก็จะได้เห็นเห็นเห็นลักษณะนี้คิดว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากสำหรับผมนะครับคิดว่าและเป็นประสบการณ์ที่ที่มีความหมายมากสําหรับสําหรับการการมาในครั้งนี้คือเป็นบรรยากาศที่ ท, ที่คำว่าโล่งปร่งสบายความละเอียดในการดูทุกขเวทนาสุขเวทนาหรือดูเวทนาทั้งหมดเนี่ยและความละเอียดของอิริยบทเนี่ย ม, มันช่วยเคลื่อนหนุนมากเลยผมรู้สึกอยากจะกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์แล้วก็อาจารย์พระวพัทครับา จ, านะจริงๆต้องกราบครับต้องกราบขอบพระคุณพรอาจารย์รพระวพาทคืออาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่างยิ่ง ไปหาหลงตาไม่รู้ขี่เที่ยวแล้วจากหลงตามาเจอพระอาจารย์ถ้าเราไม่เจอกัลยาณมิตรแบบนี้นะครับที่แลเชื่อมโยงกันมาอีกเนี้ยศรัทธาเราจะหายครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าผมทิ้งหลวงวทียนไปตั้งแต่ปีสองสี่ <laughs> เพราะว่าเราไม่มีกัลยาณมิตรครับแล้วศรัทธามันจะมีมาได้ยังไงครับเราก็ไปเจอแต่คนอื่นๆที่งเขาไม่พูดเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วเราก็ยังหนาอยู่แล้วก็ไปตามเอาตามหนาเนี่ยไปตามเขา ผมคิดว่านี่เขาเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังครับสาธุเนาะก็เราจะเห็นว่าผู้ที่มีพื้นฐานมามาดีแล้วนี่มาฟื้นฟูได้โดยไม่ยากตรงนี้เขาเรียกว่าปุเพกตะปุญญาดาคือได้สร้างสิ่งดีอย่างน้อยก็ได้พบของพวกเทียนะเป็นเดือนนะใช่ไหมซึ่งพวกเราในที่นี้ไม่มีใครโอกาสทันนั้นนอกจากอาตมาคนนะั้าทั้งวันทั้งคืน <c oughs> <c oughs> ก็จุดเนี้เอามาว่าเรา หลายคนที่มีทุนมาแตกต่างกันนี่แหละเป็นตัวสําคัญคนที่มีทุนมาเดิมมาดีเนี่ยก็จะวัยหน่อยละเอียดขึ้นอ่อาทำไมอยากจะ <c oughs> ตั้งความหวังไวอย่างนี้ว่าต่อไปอยังอาจารย์ชุลพลเนี่ยเดี๋ยก็เข้าไปคุ้ครีในกลุ่มครูบาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยแต่สิ่งที่จะแสดงออกในเชิงทางด้านวิชาการอลไรก็เดียมันจะมีความชัดเจนแล้วก็หนักหน่วง แล้วก็เหมาะกับการเวลาเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะแล้วอันนี้คุณของสติถึงถ้าหากว่าจะเป็นไปได้เนะี่ยอย่าลืมทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องของกำลังของสติที่มันเป็นสัมมาสตินะี่นะคือในวงนักวิชาการรู้จักกันดีมากในเรื่องของสติเนะี่ยแต่ว่าสัมมาสติกับสติเนะี่ยเขาไม่ไม่ชัดในเรื่องนี้เพราะนั้นต้องฝากคำนี้ไว้ทุกครั้งเพื่อสกิดให้เขาเป็นเป็นกุญแจไว้ก่อนเพราะนักวิชาการวันหนึ่งถ้าเขา สงสัยคำนี้มากๆเนี่ยเขาจะค้นหาเขาอาจจะค้นหาจากตำราค้นหาจากการพูดคุยแล้ววันหนึ่งมันได้คำตอบไม่ใช่จริงเขาจะมาค้นหาจากที่อาจารย์ทำนี้คือมาทำตรงนั้นเราก็จะได้สร้างกิจกรรมระดับนี้เยอะขึ้นนะครับตัวปรับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับที่พระอาจารย์เอามาให้คือโยคะนี่นะครับมันช่วยจริงๆนะครับคือ อิเลเยะบทอะไรก็แล้วเนี่ยนะมันยังเมื่อยอยู่อิเลเยะบทอะไรก็แล้วเนี่ยมันยังมีม่วงมาอยู่เนี่ยใช้โยคะมาเนี่ยมันเปลี่ยนอารมณ์นี่อันอันอันอันที่สําคัญและบทปรับอีกกันหนึ่งก็คือว่าพระ้าจานเนี่ยนะครับพรมันช่วงจะแบบมีความคิดปรุงแต่งมาเยอะเดินมาเนี่ยนะเดินเราคุยสัหน่อยหนึ่งเนี่ยนะอมันปรับอารมณ์ครับไอที่ยังจมจมอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนอมันเปลี่ยนไปนี่ครับ ความความละเอียดที่พระอาจารย์มีเนี้ครับช่วยได้เยอะพยาหยบเดินผานไปอีกแล้วหนะ <c oughs> ยบทานคือเรื่องอันนี้ต้องทําไปนานๆแล้วเราจะเห็นอาการของแต่ละคนชัดเพราะฉะนั้นเอามาจึงไม่แปลกใจว่าอาการของความคุ้นเคยและรู้จักสภาวะต่างๆมันเป็นความคุ้นที่เรามีอยู่ในตัวของเราแล้วนะดเคยพูดอยู่เสมอว่าในโครงสร้างของมนุษย์มันไม่ต่างกันถ้าสี่กันห้าโครงสร้างหลัก เราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอาการเราเป็นอย่างอาการเขาก็เป็นอย่างนั้นซึ่งมันจะดูออกง่ายมากจึงอยากจะให้ฝากให้แต่ละคนพยายามศึกษาเรื่องนี้ต่อไปบางคนมีคุณสมบัติทางจิตหรือคุณสมบัติทางปัญญาดีกว่าธรรมาจะไปไกลกว่านี้อีกในรายละเอียดนะจะศึกษาได้ไดลึกกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเองธรรมาถึงบอกว่าคนที่มีสตีปัญญาดีมีภูมิหลังมาดีอยากให้ทําความเพียรเยอะ แล้วมันจะได้อะไรได้มากแล้วมันโอกาสที่จะสืบทอดในพุทธธรรมโดยสมบูรณ์เนี่ยมันจะมากขึ้นนะแล้วในส่วนนี้จะช่วยให้มนุษยชาติของเราที่เกิดมาในรุ่นต่อไปมันจะมันจะไม่สูญเปล่ามันจะมีตัวนี้เข้าไปาชดเชยให้เขาได้ได้สร้าง